เอาใิชาไปส่งโรงงานมานะพระเท่าแล้ววันนี้ได้มาเยอะหรือเปล่าข้าพอใช้ได้นี่จากพ่อเท่าอะาว อ, อยู่ดีๆส่งเงินให้ขาดทำไมล่ะฮะก็ของพระเท่านะจ๊ะของข้ามันจะเป็นของข้าได้ไงข้าหม่ยได้มีอะไรให้เอ็งไปขายสั ก, กนหน่อยนี่นะคือสีลานะพรอเท่าสีลายังไม่บอกพระเท่าเลยว่าเธอให้ฉันนะเอาใบชาไปขายให้บอกหรือเปล่านะ อีข้าก็ไม่ทันได้ตั้งใจฟังรีรามันพูดหรอกนะนี่จะเงินค่าิชางั้นเองก็ไปให้รีรามันก่อนแล้วกันอา้าวพ่อเฮ้าทำไมไม่เก็บไว้เองอะ่ะโอ้ไม่หรอกเงินนะ่ะมันไม่ได้มีความสำคัญสำหรับข้านักหรอกนะที่มีอยู่ก็พอที่จะใช้จ่ายอยู่แล้วละ่ะอยู่บนดอยแบบนี้ไม่ได้ซื้อหาอะไรสั ก, กนหน่อยพืชผักก็ปลูกเองหมูหมากาไก่ก็เลี้ยงเอง ไม่มีอะไรจะต้องใช้เงินสักนิดได้มาก็เก็บไว้ตะกล้าหวายนุ่นเอาไปให้ศีลามันเถอะเงินเนี่ยนะเพื่อมันอาจจะต้องซื้อเครื่องใช้ไหม่สอยของมันหรือถ้าไม่ใช้ก็ให้มันเก็บเอาไว้ก็แล้วกันงั้นผมขึ้นไป ห, หาศีลาบนเรินก่อนแล้วกันนะพระเท่านะเออเออเ อ, อ, อ, อขึ้นไปเถอะเดี๋ยวลงมานะขอนา้าสกัดบอกนึ่งก็แล้วกันนะชาพระเท่า เดินขึ้นบันไดไปบนเรือนไม้ของพ่อเท่าบันไดทําจากไม้ในป่าซึ่งตัดแเลื่อยหยาบๆมาประกอบต่อกันแบบง่ายเรือนไม้ก็เหมือนกันแผ่นกระดานเอ่ยฝาผนังเอ่ยเป็นแผ่นไม้ที่ได้จากต้นไม้ในป่ามาเลื่อยแล้วมาประกอบหยาบๆตามแต่ลักษณะการใช้สอยเรือนไม้หลังนี้ดูยุ่ยหยาไม่ได้เรียบร้อยเหมือนที่เคยเห็นในเมืองแต่มันก็แข็งแรง ทนทาตนต่อลมพายุได้บนดอยอย่างนี้เวลาน ang, ฝนตกเป็นตะทีมันหนักหนาสาคันเหมือนกั น, ทนทพอฝนมางแรงก็งพั ง, <า>งคลื่นลงมาได้ง่ายๆเหมือนกันอ๋อใช่ไเนี่ยสิลักมังยุ่กับการทำกับข้าวกบลังเติมฟืนอยู่ครัวก็ทำง่ายๆเปิดโล่งให้ขาด ไ, ไห้เทได้ ผนังตีได้ไหมสิขนาดท่านยึดหัวยมือได้มั่งตีเป็นแผงเพื่อที่จะระบายควันได้นั่นเองเมียวเมีวพี่สุเวทนั่นเองอะทําอะไรอยู่จ๊ะทํากับข้าวนะจ้มขอมจังเลยได้กลิ่นชักหิวแล้วสิงั้นเดี๋ยวก็กินข้าวด้วยกันนะจ้าพี่จริงๆนะพี่ไม่เกรงใจนะจ้าชวนกินแล้วนี่ หมู่บ้านแม่ซืเลียงของเราเนี่ยไม่มีใครใจคอคับแคบหรอกจ้ะทุกคนะมีจิตใจงดงามอัธยาศัยก็ดีมากเลยมันก็แน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> แล้วเราก็ต้องช่วยรักษาวัฒนธรรมของเราไว้ให้มั่นด้วยห้ามเอาวัฒนธรรมที่อื่นมาใช้เด็ดขาดจ้ะ <c oughs> อันนี้จ่าเงินของสีลามันอะไรจ้ะเงินจากการขายใบชาไงอ้าวทำไมถึงไม่พ่อใช่ละ่ะให้แล้วแต่พ่อท้าไม่เอาทําไมล่ะ บอกว่ามาให้ศีราเก็บเอาไว้เผื่อสีดาจะใช้ฉันจะเอาเงินไปใช้อะไรเลยจ๊ะไม่ได้ไปตลาดสักหน่อยฉันน่ะไม่เคยไปตลาดเลยนอกจากคริสต์มาสเท่านั้นแหละและที่ไปเนี่ยก็เพราะว่าต้องการไปโบสถ์เท่านั้นเองแถ้าเผื่อสีดาต้องซื้อเออซื้ออะไรจ๊ะก็ซื้อของใช้ผู้หญิงไงเห็นมีรถเข้ามาขายในหมู่บ้านเรามีของใช้เยอะแยะและเพราผู้หญิงในหมู่บ้านของเราเนี่ยก็ลูกคือกันเปนแย่งกันซื้อ ราบอกว่าเขามาแจกฟรีๆอย่างนั้นแหละอ๋อนั่นน่ะเป็นจำพวกแป้งสีทาปากฝั่งหลังเขาเรียก อ, อะไรก็ไม่รู้สิคนขายเคยบอกฉันแต่ว่าจำไม่ได้แล้วล่ะก็ของใช้ผู้หญิงอย่างที่พี่สุเวบอกนั่นแหละจะ้ะก็นั่นแหละเผื่อรถเข้ามาสิราจะได้ซื้อไงฉันจะไม่ชอบซื้อของพวกนั้นหรอกเปลืองตังค์เก็บตังค์ไว้ดีกว่าจะ้ะดีจงเลยนะเออเออกับลืมเนี่ยลืมอะไรหรอ พ่อท่าว่าขอน้ำกระบอกนึงจ้าอ๋อจ้าได้เลยถ้าอย่างนั้นช่วยกันยกกับข้าวลงไปด้วยนะจ้าเดี๋ยวฉันจะเอาหม้อข้าวไปจะได้เต็ข้า ว, วไปลวเลย<จ>อืมเสร็จแล้วละจ้าจ้าจ้าจ้ามามา ม, ามาอกับใจจ้ายกเนะอ้ะ รับฟังรายการละครวิทยุแม่เซเรียงที่รับนำเสนอโดย Nation Entertainment เขาไม่อาจความสายทางเยียนทําได้ความหวันยังคลิ่มลายเก่าตายมีไม่เสริม ควนมดั ความหวังยังติ้งคายเก่า ต, ตายไม่เสริมชีวิตที่ผ่านพบมีลบย่อมีเพิ่ขอเพียงให้เหมือนเดินกำลังใจย t o n y h e a o n e r s h you. ขอคำว่รักจม เ, เท่านั้นในใจฉันไม่มีที่ว่างใคร กักขังตัวเองไวนานเท่าไรไม่รับใครเข้ามาความปวดร้านีคราวนั้นที่มันฝังใจอย่าแบกนลมองฉันนนี้ที่รัก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 เกลียดเขาขนานในหัวใจยงคิดไปคิดมาความนไในวันนี้ที่เธอนั้นมีนั่นแหละคือปัญหา แค่ความรักไม่ให้เธอแก่ไไว้ใส่มันลงทานที่ในหัวใจที่เธอ ฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รับนำเสนอโดย Nation Entertainment กินเยอะๆนะเจอสุเวเจ้าพระเท่ากับค้าเปยังไงจ้าพี่สุเวมถูกปากหรือเปล่าถูกปากที่สุดเลย <c oughs> ปากหวานไม่มีใครเกินพี่แล้วนะเนี่ยเปล่าสักหน่อย <c oughs> พี่ชมด้วยใจจริงฉันไมเชื่อหรอจ้าอ้าว <c oughs> ทาไมไม่เชื่อเลยจ้าเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าพี่น่ะเป็นคนประเภทปากหวานก้นเปรี้ยวสิจ๊ะ <c oughs> อะไรขนาดนั้นเลยเลยสิลาจ้าเออพระเท่าอืม พ่อท่าคิดเหมือนสีลาหรือเปล่าเอ็งถามข้าแล้วครับโอ้ไม่หรอกเอ็งอย่าคิดมากไปสิสีลามันก็พูดไปอย่างนั้นเองนั่นแหละเอ็งอย่าได้ไปหลงกลคำพูดของสีลาลูกสาวขาดชลนาเดี๋ยวจะโดนต่อนจนมุมแถานั้นเองโธอพ่อเรื่องอะไรมาว่าลูกตัวเองแบบนี้แล้วจ๊ะขนาดนั้นเลยเหรือพ่อท่าข้าล้อเล่นแถานั้นนะ้าพ่อท่านก็แค่คิดเล่นเหมือนกันนะ <c oughs> ขี่เล่นได้ด้วยเหรอพี่สเว่ไม่เคยเห็นใครเล่นขี่สักหน่อยอ๋อโดนซะแล้วหรอเนี่ย <c oughs> กินกินกินกินกินให้อิ่มนะเจ้าสเวเจ้าพ่อเท่าอ๋ออิ่มแล้วนี่เดี๋ยวบายๆเองไปกับข้านะสเวนะไปไหนเจ้าพ่อเท่าก็ไปตัดไผ่กับข่ายัางไงล่ะพรอเจ้าจะไม่ไผ่ไปทําอะไรอะ่ะนั่นไงเราไก่มันไม่ค่อยแข็งแรงแล้วละ่ะกะว่าจะสร้างเล้าไก่ให้มันใหม่ ไก่มันจะได้อยู่กันอย่างสบายสบายสักหน่อยไม่แออัดยัดเยียดเหมือนเล่าเดิมที่สําคัญเนี่ยทําใหม่จะต้องแข็งแรงทนทานไม่ต้องหวาดระแวงงูเงี้ยวเขียวขอโดยเฉพาะไอ้พวกงูเหลือมนะนะจริงด้วยนะจ๊ะพ่อคืนก่อนเนี้ยฉันได้ยินไก่มันตื่นร้องตกใจดังมากเลยล่ะนานแหละไอ้เจ้างูเหลือมมันมาก่อกวนนะสิแล้วเราลงไปดูหรือเปล่าก็ลงไปดูอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่เห็นมีงูเลย มันเห็นไฟมันก็เลยหนีไปแล้ว ล, ลูกเอ้ยอืมฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละจ้าตัดไม่พ่ยแล้วจะไปขุดมันต่อมล่ะขุดมาต้มกินหรือไงอ่ะก็จะส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งต้มผสมข้าโพดไม่ให้ไก่มันกินนะพ่อเฒ่าโอ้โก็ดีสิไก่มันชอบกินมันกับข้าวโพดบดมากเชียวจ้าฉันไปช่วยนะจ๊ะช่วยเฉพาะขุดเท่านั้นนะตัดไม่พ่ายอ่ะศซลาไม่ต้องหรอก ฉันกับเ่าเท่ากัแล้วก็หนุ่มๆในบ้านจะช่วยกันตัดเอง <c oughs> จ้าพี่ หีมามาเล่นแถวนี้น ะ, ะข้าเองแหละสีลามูซอใช่แล้วข้าเองขอขึ้นไปนั่งคุยด้วยได้ไหมจ๊ะไม่ได้ทําไมถึงไม่ได้เพราะมูซอไม่ได้มาดีแต่มูซอมาร้ายใครจะอนุญาตให้เข้าบ้านละ่ะสีลาทําไมถึงกล่าวหาข้าขนาดนั้นฮะก็รู้ไม่จริงละ่ะไม่จริงจริงแต่ข้าขอยืนยันด้วยเกียรติของลูกผู้ชายเช้าเขาผู้แกงกล้าคนนี้มาดีแน่นอน เ ช, ชื่อฮหน้าศิลาไม่ฉันไม่เชื่อถ้าเป็นไอซูเวเองจะยินดีมากเลยใช่ไหมล่ะฉันนับถือพี่ซูเวย์เหมือนพี่ชายคนหนึ่งฮะแน่ใจเหรอแน่ยิ่งกว่าแน่อีกแล้วเองไม่รู้ได้ไงว่าไอซูเวมันไม่ได้คิดว่าเองเป็นน้องด้วยสักหน่อยรู้ได้ยังไง ร, รู้สิผู้ชายมองผู้ชายด้วยกันออกไม่จริงอะ่ะจริงนายกลับไปได้แล้วไม่ ข้าจะขึ้นไปไม่ได้เองห้ามข้าไม่ได้หรอกนาศิลาก็เอาสิขึ้นมาเลยเองจะทำอะไรข้าฮะฉันก็จะจามกบาล น, นายโ<ะ>ดยอีโต้ด้ามเนี้ยให้ตายคำ ม, มันใดไปเลยศิลา น, นี่นี่เองเองเอาสิขึ้นมาเลยโถอยัดท้านะฉันไม่ได้ท้าแต่ถ้าแน่จริงก็ขึ้นมาสิอวดดีแล้วเกินนะ่ะเองนะ นายก็เหมือนกันอย่ามายุ่งกับฉันอีกเพราะว่าคนอย่างฉันเนี่ยไม่มีวันหลงรักนายเด็ดขาดนักเลงอย่างนายอ่ะใครได้เป็นผัวแล้วก็สวยเป็นทั้งชาติเลยสีลาเอ็งกลับไปซะกลับไปไม่ข้าจะขึ้นไปหาเองข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันถ้าข้าต้องการมีอะไรกับเองจะมีใครหน้าไหนมาช่วยเองได้มั่งศีลามูซา คุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากการรับฟังละครที่จบไปแล้วนี้โปรดเขียนใบสนิยบัดหรือจดหมายสแสดงความคิดเห็นของคุณมาถึงเราที่ตู้ปอน0อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสใบสนีย้าห0 0หรือส่งที่ SMS 082-033-5951 ทุกท่านที่ส่งความคิดเห็นเข้ามาทางเราจะจัดส่งหนังสือหรือเสื้อยืดไปให้แก่ท่านฟรี